เเดินเข้มาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกลือนกินเธอทั้งตัวทำไมได้มากับใครใช่ไหมหรือว่ายังไงเธอชอบอะไรอ่ะบอกฉันเลยฉันจะหาให้เธอฉันไม่ได้รวยเหมือนใครไม่ได้มีเหมือนใครหรอกใครอยางฉันบอกว่าคนหนึ่งฉันมันมีแต่รักจึงจะไม่มีวันมาทอดมาทิ้งให้เธอต้องไปนั่งเสียใจถึง โ, โรดอย่าทิ้งควางกันจะไม่หัวใจฉันปีโบนได้เมื่อเจอกับเธอในวันที่ฉันไม่เหลืออะไรเธอจะรับได้ไหมในวันที่ฉันไม่มีลายเลือเศรษฐกิจไม่ดีบ้า 净化。 มาก็พอจะรู้ว่าเธอน่ะมองเธอน่ะมองเธอมองมองฉันจ้องฉันตาเป็นมันฉันไม่ได้มากับใครทั้งนั้นฉันมาคนเดียวฉันมาเอามันอะก็อยากจะดื่มให้ลืมคนที่ทิ้งไปก็ไม่ได้รวยเหมือนใครก็ไม่ได้มีเหมือนใครรอบใครอยากจะบอกว่าคนอย่างฉันนะ่ะมันก็มีแต่รักจริงแล้วไม่มีวันจะทอดจะทิ้งให้ใครต้องไป เพราเอย่าทิ้งความกันทำใ ห, ห้วใจฉันเปียกอนได้มาเจอกับเธอในวันที่ฉันไม่เหลืออะไรเธอจะรับได้ไหมในวันที่ฉันไม่มีไหลเลยเศรษฐกิจไม่ดีบ้านพี่หนึ่ง นนในชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่า น, นั้นโปรดอย่าทิ้งคว้างกัน์ทำให้วาที่ฉันเปติด